กราวนี้จะกล่าวทำบางข้อของพระสาวกทั้งสามนี้พระสารีบุตรเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะแสดงธรรมจักและอริยสัจได้กว้างขวางพิสดารแม้นพระองค์ได้ในบางคราวเมื่อมีภิกษุมาทูลลาจะเดินทางไปในต่างถิ่นก็โปรดให้ไปลาท่านพระสารีบุตรดังในคราวหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่เมืองเทวทหะภิกษุเป็นจํานวนมากได้เข้าเฝ้าทูลลาจะไปปัิชาภูมิชนบทก็โปรดให้ไปลาพระสารีบุตรเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปลาตามที่รับสั่งพระสารีบุตรก็ถามว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นจะไปต่างประเทศต่างถิน่นก็คงจะมีคนมีปัญญามาถามว่าครูของท่านสอนอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรจรึงจะไม่ผิดคำสั่งสอนของพระาศาสดาและเป็นการถูกต้องภิกษุเหล่านั้นก็ขอให้ท่านแนะนำท่านก็แนะนำว่าให้ภิกษุเหล่านั้นตอบว่าครูของเราสอนให้ตัดความกำหนัดรักใคร้เสียถ้าเขาถามว่าให้ละความกำหนัดรักใครในสิ่งใดก็ให้ตอบว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณถ้าเขาถามอีกว่าเห็นโทษเห็นคุณอย่างไรจึงสอนอย่างนั้นก็ให้ตอบว่าเมื่อยังมีความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งเหล่านั้นครั้นสิ่งเหล่านั้นแปรโปรวนเป็นอย่างอื่นก็จะเกิดความทุกมีโศเป็นต้นเมื่อลาเสียได้ครั้นสิ่งเหล่านั้นแปรโปรวนไปทุ ก, ก็จะไม่เกิดครูของเราเห็นโทษและเห็นคุณอย่างนี้จึงสอนมาอย่างนั้น และมีอีกเรื่องหนึ่งคือภิกษุองค์หนึ่งชื่อยามกะได้มีความเห็นว่าพระอรหันต์ตะขีนาศตายสูญซึ่งเป็นความเห็นผิดและพวกภิกษุก็ช่วยกันเปลื้องทิฏฐินั้นแต่ไม่สำเร็จจึงได้มาขอให้ท่านพระสารีบุตรช่วยเปลื้องท่านพระสารีบุตรก็ถามขึ้นว่าท่านยามกะเห็นอะไรเป็นพระอรหันต์ตะขีนาศหรือว่าเห็นพระอรหันต์มีอยู่ในอะไร คือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นพระอรหันต์หรือเห็นว่าพระอรหันต์มีอยู่ในขันห้านั้นท่านยาม ก, กะก็ตอบว่าไม่ใช่ทุกทุข้อท่านพระสารีบุตรถามว่าก็ไม่ใช่เช่นนั้นแล้วควรจะพูดว่าพระอรหันต์ตายศูนย์หรือท่านยาม ก, กะก็ตอบว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีความรู้อย่างนี้ ท่านพระสารีบุตรถามว่าถ้าเขาถามว่าพระอาหารหันต์ตายแล้วเป็นอะไรจะแก้อย่างไรพระยะมะกะก็ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เทีย่ยนดับไปนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ควรจะกำหนดเอาไว้ท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวอบรมต่อไปว่าเหมือนอย่างมีคฤหบดีซึ่งเป็นผู้มั่งคั่ง และรักษาตัวอย่างแข็งแรงมีบุคคลผู้หนึ่งคิดจะฆ่าแต่ไม่สำเร็จจึงได้สมัครเข้าไปเป็นคนรับใช้จนเป็นที่ไว้วางใจแล้วก็รอบฆ่าเสียในขณะที่เครหามดีผู้นั้นจะตายก็ไม่ได้คิดว่าผู้ที่รับใช้ตนเองนั้นเองเป็นผู้ฆ่าตนฉันใดก็ดีบุคคลผู้ถือขันห้าเป็นตนเมื่อขันห้าที่ตนยังถือนั้นแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์ แต่ว่าเมื่อไม่ถือว่าเป็นอัตตาอยู่ในขันห้าขันห้าแปรปวนไปอย่างใดก็ไม่เป็นทุกข์อีกเรื่องหนึ่งในระหว่างที่ท่านพระสารีบุตรพักอยู่ที่พระเวรุวันนั้นเช้าวันหนึ่งท่านบินธบาตในกรุงราชกฤตได้อาหารมาแล้วก็มานั่งฉันอยู่ที่เชิงฝาเรือนแห่งหนึ่งในขณะนั้นได้มีนางปริพาชิกาคนหนึ่งชื่อว่าสูจิมุขีแปลว่า มีปากเหมือนอย่างเข็มคงจะหมายความว่าชอบพูดทิมแทงคนอื่นได้เข้าไปหาท่านแล้วก็กล่าวว่าท่านสมณะนี้ก้มหน้าฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ก้มหน้าฉันนางสูจิมุขีก็กล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นก็แงนหน้าฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้แงนหน้าฉันนางสูจิมุขีก็พูดขึ้นว่า ถ้าเช่นนั้นก็ต้องตั้งหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ตั้งหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันนางสุจิมุขีก็พูดขึ้นอีกว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็ตั้งหน้าไปทางทิศน้อยฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ตั้งหน้าไปทางทิศน้อยฉันนางสุจิมุขีจึงกล่าวขึ้นว่าพูดอย่างใดท่านก็ปฏิเสธทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านฉันอย่างใดท่านก็ตอบว่า ท่านปฏิเสธนั้นก็เพราะสมณพราหมณ์เหล่าใดที่สำเร็จชีวิตด้วยติรชานวิชาคือว่าวิชาดูที่ทานต่างๆสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าก้มหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสาเร็จชีวิตด้วยติรชานวิชาคือว่าวิชาดูดาวนักสัตสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็เรียกว่าแงนหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสาเร็จชีวิตด้วยติรชานวิชา คือรับใช้เป็นทูตของเขารับใช้ไปโน่นไปนี่ให้เขาตามแต่เขาส่งใช้ไปสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าตั้งหน้าไปในทางทิศใหญ่ฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสําเร็จชีวิตด้วยเตระฉานวิชาคือวิชาดูลักษณะอวัยวะร่างกายสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าตั้งหน้าไปในทางทิศน้อยฉันท่านไม่ได้สําเร็จชีวิตอย่างนี้ท่านสแสวงหาภิกษาโดยทำได้มาฉัน จึงเป็นผู้ที่ฉันโดยธรรมท่านมีปฏิภาณในการโต้อตอบกับผู้ที่มากล่าวหาและท่านได้แสดงธรรมยาวๆที่พระธรรมสังคาหากาจาร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรอีกมากเช่นสังคีติสูตรทสุกตตะ ร, รัสูตรซึ่งเป็นแบบฉบับของวิธีการธรรมสังขายาาส่วนพระมุคลาณะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่า เป็นผู้ทําสกุลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสเป็นผู้ไม่ทําศรัทธาไม่ทําโภคะคือทรัพย์ของตระกูลให้เสียหายเหมือนอย่างแมลงพึ่งที่ถือเอาแต่รสของดอกไม้ไม่ทําสีกรีบกลิ่นของดอกไม้ให้เสียหายท่านเป็นผู้สามารถในการนวกรรมคือการก่อสร้างเมื่อมีการก่อสร้างพระอารามท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล เช่นดังนางวิสาขาสร้างบุพารามในกรุงสาวิถีท่านก็ได้รับเป็นผู้ดูแลและคําสั่งสอนของท่านนั้นก็มีหลายอย่างดังเช่นที่พระธรรมสังฆ า, า, าจารย์ได้ร้อยกรองไว้โดยชื่อว่าอ An น um ุมานสูตรคือพระสูตรที่แสดงถึงการอนุมานตนเองความย่อในพระสูตรนั้นท่านได้สอนธรรมพว้พิกษุ์โดยความว่า ถ้าพิสษุปรานาตนเองคือบอกอนุญาตหรือขอให้เพื่อนสพรมจารีตักเตือนตนได้แต่ถ้าเป็นคนที่ว่ายากแล้วเพื่อนสพรมจารีก็จะไม่ว่ากล่าวเหตุที่ทาให้ว่ายากนั้นท่านยกขึ้นมาแสดงหลายข้อเช่นความกโกรธความผูกโกรธความหงุดหงิด ต, ตั้งแงงอนต่างๆการกล่าววาจาที่แสดงว่ากโกรธเป็นต้นกลาวนี้ ถ้าพระพิสุปร a วณาให้เพื่อนสัพพรมารีกล่าวว่าตักเตือนได้ถ้าเป็นผู้ว่าง่ายคือเป็นผู้ที่พอจะตักเตือนได้เพื่อนสัพพรมารีก็ตักเตือนเหตุที่ทำให้ว่าง่ายนั้นท่านก็ยกขึ้นเป็นข้อๆตรงกันข้ามกับเหตุที่ทำให้ว่า ย, ยากต่อจากนั้นท่านสอนให้อนุมาลตนเองคือให้ช่างดูเทียบตนเองกับคนอื่นคือว่า คนอื่นเป็นคนที่ปรารถนาลามกเป็นตน้นก็ไม่เป็นที่ชอบใจแก่เราชั้นใดถ้าเราเป็นคนปรารถนาลามกเช่นนั้นก็ไม่เป็นที่ชอบใจแก่คนอื่นเหมือนกันแปลว<ป>네่าช่างตนเองดูตนเองว่าบัดนี้เราเป็นอย่างไรเป็นคนที่ปรารถนาลามกคือปรารถนาไม่ดีอยู่หรือไม่ถ้ารู้ว่าเราเองเป็นคนที่มีความปรารถนาลามกเช่นนั้น ก็ให้พยายามละเสียและให้ตั้งใจศึกษาสังเฮงอยู่เพื่อจะปฏิบัติดังนั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเหมือนหนุ่มสาวที่ซองกระจกเพื่อจะแต่งหน้าแต่งตัวเมื่อเห็นส่วนไหนเป็นมลทินก็ต้องนาส่วนนั้นออกเสียบุคคลก็เหมือนกันก็ใช้ปัญญาส่องดูตัวเองและแต่งตนเองให้บริสุทธิ์หมดจดพระสูตรนี้ท่านแสดงที่ป่าสงวนเนื้อ ชื่อเพสกาลวันพักฆาชนบทส่วนพระมหากรสปะนั้นท่านได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิ่ในด้านที่มีวาทะกำจัดกิเลสพอใจแนะนำอบรมให้ภิกษุเป็นผู้มักน้อยเสมอยินดีในทุดองขวัตพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องท่านมากว่าเป็นผู้มีคุณธรรมเสมอด้วยพระองค์เป็นผู้มีสํโดษ ด, ด้วยปัจจัยสี่เป็นผู้ที่มักน้อย และเป็นที่สมควรที่จะเข้าสกุลได้ดังตรัสโอวาทหมู่ภิกษุให้ทำตนให้มีอุปมาเหมือนอย่างดวงจันทร์คอยชักกายชักใจออกห่างสกุลอยู่เสมอทำตนให้เขาเห็นอย่างเป็นคนใหม่อยู่เสมอไม่ให้มีความคันองในสกุลทั้งหลายท่านพระมหากัศสปะก็เป็นผู้มีคุณอย่างนั้นควรเป็นตัวอย่างของภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้า ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแขวงในอากาศแล้วก็ตรัสว่ามือที่แขวงในอากาศนี้ไม่คล้องอยู่ในอากาศชั้นใดเมื่อภิกษุจะเข้าไปในสกุลก็อนฉันนั้นอย่าให้จิตติดคล้องอยู่ตั้งจิตเป็นกลางว่าเขาปรารถนาลาบปรารถนาบุญก็จงได้ลาบได้บุญเถิดและให้ทําใจในเมื่อผู้อื่นได้ลาบให้เหมือนกับตนได้เองเถิดพระมหาคสปะ เป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้จึงเป็นผู้สมควรจะเข้าสกุลได้และพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าธรรมเทศนาคือการเทศแสดงธรรมของท่านก็บริสุทธิ์แล้วก็ตรัสการแสดงธรรมที่ไม่บริสุทธิ์คือถ้าภิกษุแสดงธรรมด้วยคิดว่าเขาจะเลื่อมใสในตนและจะทําอาการของผู้เลื่อมใสในตนธรรมเทศนาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ว่า ถ้าภิกษุแสดงธรรมด้วยคิดว่าจะแสดงธรรมให้เขาฟังให้รู้เรื่องแจ่มแจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แล้วจะได้ปฏิบัติแสดงธรรมด้วยมุ่งที่จะให้เขาเข้าใจธรรมมีความกรุณามีความเอ็นดูอนุเคราะห์ต่อเขาไม่ได้มุ่งย้อนเข้ามาเพื่อตนธรรมเทศนาดังนี้จึงเรียกว่าบริสุทธิ์ท่านมหากรสปะท่านเป็นผู้ที่มีธรรมเทศนา คือการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์ดังกล่าวมานี้พระมหากษัสริโดยปกติเป็นผู้ที่ถือทุดงคืออยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบินธบดีเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงจีวรสามผืนเป็นวัดเป็นผู้ที่ไม่ครุกคลีพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านมหากษัสริเป็นผู้ชราแล้วมาฉันอาหารที่ทายกเขาถวายอยู่ในวัดท่านพระมหากษัตกราบทูลว่า ท่านปฏิบัติดังนี้ก็เพราะประโยชน์สองอย่างคืออย่างหนึ่งท่านเห็นว่าการปฏิบัติดังนี้เป็นความสุขในปัจจุบันของท่านอย่างที่สองท่านเห็นว่าจะได้วางแบบให้เป็นตัวอย่างสําหรับภิกษุทั้งหลายในการต่อไปว่าได้มีพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงประธานสาธุการจารุารงขสานิบาตเมื่อพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่พระเวลวันใกล้กรุงราชขฤินั้นได้มีมหาสันนิบาตคือการประชุมใหญ่ของพระสาวกครั้งหนึ่งเรียกว่าจารุรงคขสันนิบาตแปลว่าความประชุมประกอบด้วยองคศีในอัตกถาทีคณสูตรได้แสดงไว้ว่าองศีนั้นคือพระสาวกที่มาประชุมกันเป็นมหาสันนิบาตนั้นหนึ่งได้มาประชุมกัน ในวันอุโบสถคาณปุณณมีคือวันเพนเดือนมาคับโดยปกติก็ตรงกับวันเพนเดือนสามถ้าปีมีอธิกมาธก็ตรงกับวันเพนเดือนสี่ตามแบบไทยเรา 2. ภิกษุจำนวน 1,250 รูปซึ่งมาประชุมกันนั้นมิได้มีการนิมนต์นัดหมายมาประชุมเอง 3. ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภินญาณหและส ล้วนเป็นเอหิพิกุคือเป็นภิกษุที่ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีเอหิพิกุอุปสัมปทาแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวรรธน์ได้ทรงจัดไว้ในพระพุทธประวัติเล่มสองว่าดังนี้หนึ่งภิกษุที่มาประชุมมันล้วนเป็นพระอรหันต์สองล้วนเป็นเอหิพิกุสล้วนไม่ได้นับหมายและสพระพุทธเจ้า ได้ประธานพระโอวาทที่เรียกว่าโอวาทาปาติโมกมหาสันิบาตนี้ได้มีณเวรุวันในวันมาฆปุณนีในอัธกถาแห่งพระสูตรดังกล่าวได้กล่าวว่ามหาสันิบาตนั้นได้มีในวันที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมะแก่ปริพาชกชื่อทีกนขะพระสารีบุตรได้นั่งถวายงานพัดฟังอยู่ด้วย เมื่อทรงแสดงธรรมจบแล้วพระสารีบุตรก็มีจิตพ้นจากอสวะในขณะนั้นเวลายังเป็นกลางวันอยู่พระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากเขาคิจกูและเสด็จมาสู่พระเวรวรณก็ทรงแสดงพระโอวาทในมหาสันนิบาตดังกล่าวนั้นในวันมาฆปุญ น, นมีตามคําของท่านจึงแสดงว่าท่านพระสารีบุตรได้เป็นผู้เสด็จกิจในวันมาฆปุญ น, นมีนั้นคือในวัน มาคาปุลณมีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาท ป, ปาติโมกท่านยังได้แสดงระยะเวลาไว้ว่าในพรรษาแรกพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันแขว้งเมืองพาราสีครั้นออกพรรษาแล้วได้เสด็จไปโปรดพวกปุราณัชตินในชั้นแรกได้ทรงทรมานอุรุเวลกัสปะอยู่เป็นเวลาสองเดือนคือจนถึงวัน ปุษาปุณณมีที่ตรงกับวันเพนเดินอายอุรุเวลากระสป่จึงได้ยินยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าและต่อมาก็ได้โปรดกระสปะอีกสองท่านจนถึงทรงสแสดงอธิตยปริยยสูแล้วจึงเสด็จจากตะบนนั้นมาสู่กรุงราชคฤิสทรงได้พระอัครสาวกแล้วจนถึงกลางเดือนสามที่เรียกว่าวันมาฆาปุณณมีก็ได้มีสาวกสันนิบาต ท, ที่เรียกว่า วันจาตรงรงคขสัมมิบาตดังกล่าวแต่คำที่ท่านกล่าวไวน้นี้ขัดกันกับข้อความบางแห่งที่แสดงไว้ในหลักฐานชั้นบาลีคือในหลักฐานชั้นบาลีว่าในระหว่างฤดูหนาวแปดวันระหว่างเดือนมาคะโดยปกติตรงกับเดือนสามและเดือนผักคุณนะโดยปกติตรงกับเดือนสี่พระพุทธเจ้าได้ทรงทรมานอุรุเวกัสปะอยู่ที่ตาบลอุรุเวลาตามหลักฐานนี้ วันกลางเดือนมาฆะคือวันมาฆะปุณณมีนั้นพระพุทธเจ้ายัางประทับอยู่ที่ตําบลอุรุเวลาฉะนั้นถ้าหลักฐานที่แสดงไว้ในบาลีนี้ถูกหลักฐานในอัตถกถาก็ผิดวันมหาสันนิบาตนั้นก็น่าจะต้องเลื่อนไปมีในมื้อออกพรรษาที่สองแล้วแต่อย่างไรก็ตามหลักฐานทั้งปวงก็ยืนยันว่าได้มีมหาสันนิบาตของพระสาวกครั้งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยองค์สี่ อันเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตดังกล่าวแล้วในวันมาคปุณณีพระพุทธเจา้าได้ทรงสแสดงพระโอวาทอันเรียกว่าโอวาทปาติโมกในมหาสันนิบาตนั้นโอวาทปาติโมกหัวใจพระพุทธศาสนาพระโอวาทนี้ประมวลพระพุทธวาฒนประมวลพระพุทธศาสนาด้วยข้อความเพียงสามคาถากล่งฉะนั้น พระโอวาทนี้จึงเป็นที่นับถือว่าแสดงหัวใจพระพุทธศาสนาตามที่ท่านพระธรรมสังฆาหากาจารย์ได้รวบรวมไว้ว่าดังนี้ขันติปรมังตะโปตีติขาขันติคือความทนเป็นบรมตบะนิพพานังปรมังวันติพุทธาพระพุทธคือพระผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่ง นั่นปปปชิตโตป ร, รูปปคาตีสมมโนโหติปรังวิเหทยันโตบรรพชิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าสมาณนี้เป็นพระคถาแรกพระคถานี้สแสดงพระพุทธวาทะคือวาทะของพระพุทธที่แปลว่าพระผู้รู้ไว้สามข้อหนึ่งขันติ ความทนทานเป็นบรรมาตบะตสองนิพพานเป็นบรมธรรมสมบรรมณฑิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะมีข้อที่ควรทำความเข้าใจคือในพระกถานี้ใช้คำพุทธะเป็นพระหูวจนะคือแปลว่าพระพุทธทั้งหลายซึ่งหมายความว่ามีมากในที่อื่นได้แสดงพระพุทธะคือผู้รู้ ไว้เป็นสามจำพวกคือ 1. พระสัพพัญยูพุทธะพระพุทธผู้รู้ทั้งหมดหรือพระสัมมาสัมพุทธะพระพุทธผู้รู้เองชอบหมายถึงท่านที่ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามไปด้วยจนถึงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นตั้งพุทธบริษัทขึ้น 2. พระปัเจกพุทธะพระผู้รู้เฉพาะองค์ คือเป็นผู้ตัดสรู้ด้วยตนเองเหมือนกันแต่ว่ารู้เฉพาะตนเท่านั้นไม่สอนให้ผู้อื่นรู้พระพุทธจําพวกนี้ไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งพุทธบริษัทขึ้นเป็นผู้รู้เฉพาะตน 3. พระอนุพุทธคือพระผู้รู้ตามหมายถึงเป็นพระสาวกพุทธคือเป็นผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ฟังเป็นสิทธิของพระพุทธจําพวกที่หนึ่งได้แก่ พระอระหันต์ตะสาวกทั้งหลายพระพุทธมีสามจำพวกดังกล่าวมาและก็ล้วนมีวาทะคือถ้อยคําตรงกันดังที่กล่าวมานั้นพระพุทธวาทะข้อที่หนึ่งขันติคือความทนทานเป็นมรมตบะขันตินั้นแปลกันว่าความอดทนจําแนกออกไปโดยในหนึ่งเป็นสองคืออธิวาสนาขันติและตีติขาขันติโปรดติดตามและฟัง 45, สี่สิบ้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสั ง, งวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป